พ่อนี่รัดมือตึงยามจ้ำกี่ซอยดอกไม้จ้ำไก่จ้ำล้มหอมอยู่ยำยำหัวใจการตั้งปุ้นดองไฟวางของในหอย กุยโยกปีหลายดงังไั่ใหม่ฟื่อนอาทุนทีเดินยีซ้มรอดเขากัดดังสั่นมายามเขาการเกี่ยวเข้าโปเลวซ้ำหลากกองฟึ่งของขิดในเมืองตุงเสงเขมรัดเมืองเราจาดขึ้นไต้สาง ว่าปางหูใจควันมึงแต่ได้กินเขาใหม่ไผ่พำจำจึนแล้วลาขาแห่งเขานิ้วเจ้าตีเวิง โคเลงพื้นไม่พาใครซื้อเ ข, าข้าคิงกัดมาซื้อเตี่ยวลองเปลี่ยนกัดจาซื้อนาซ้ำมึงไทยใส่ควันยุยโอน โน่นว่าดูโน่นหัวใจยามใบนั้นสั่งมายินหมุนตูปุ่นไผ่ปุ่นมันแอวซื้อแอวหาเตี่ยวซื้อปวกเนื้อหอมใบ ควันใดภไผกดสู้จอบมักยังแห่งการดีรถดโขบตึงมาถึงปีการสังขาปายในเขตเจิงตุงกว่าง สร้างไว้แต่ปีกายไว้มาแล้วถึงปีเตียวเอวคือว่าเมตตาแห่งเขาสะทายยันไรนาหูปาซกว่าอันตากาแต้คือว่าสะทาสิบหูร้อยว่ามีกากฎัมไม่เต็มยิ่งและถึงใจเขตจริงตุ้ง อันันนวแดแต่นี่สังขาเติมมีกรรมเมตตาตึงมุนพร้อมหูร้อยตั้งสิบอื่องคอนอยู่เมืองแก่ น, นี้จึงตุ้งเขตห้องกูเจอจาดเมียว อากูเมตตาแห่งเขาปลึกแต่ตึงแดดเขาสารเบาบักผ่านงอนตองของเพียงสะทายยัดย่างนากรรมจิตนา บังเกิดเขาใสยอตานนอมจุนกันห้อมลูแถมกูผู้กูมีหากสร้างเปียงเย็ดไรนายิงใจหลายหมู่ปาปีน้องตากาศรัทธาปอกโหโูร้อยพั่มเต็มมากวัาจาโหสิบแต่เต็มตึง เท่าเกะแทมเจ้าบานไหวจิตตนาเกิดจอมบานเขาใส่ยอตันต่อฝุ่งจ้องผากาการบอบักผ่านอันตามดวยมโน สองผูมีลูกตตพัมพ้อมหอมดู ก, การต้านเต็มใส่จะลางรองกอดไม้สะทาพ้อมยิงใจกาตานฟุงเขาตั้งเาหาบบุงปันจดไมยลองลายไว้ใครเนื สอาก็ดเกาปังมือตานอยาดนำจื้อสิยงออกเสิยงตุกน้อยใหญ่มีแย่ปีไหนแอวเต้ากว่าเต้เมตตาเดสทาเจ้าไรเจ้าหน้าก็จาสิบถูร้อยไปกาเมตตาคุ้มเขา เราสังฆาฝ่ายในวิ่งจัดจิงกุ้มเข่าเตะเมือปิ้นดีบาทปอกตะกาไผหลู่อันพัฒนาเกลยนมันฉันนั้นหากดี เจ้าเราขึนขึ้นขึ้นใหญ่น้อยฮือจอยแถมต้านก็หากจักรอดนี้ปานคำสุขสิมจิมมึงฟ้ามึงควักูไพมันอัน เราสังฆากอดหยาบบันเ่าอุตสาหความทุกขามาเมตตาเพียวเด ก, ก็เบาเว่นเวนไนยื่งอันหูสิบร้อยแอวจี เตสนาเผยแผ่อันกว่ า, ตตาเตเมตตาแห่งฟุงธรรมยังตั ก, การจายิงน้ำหน้าหันสาธุย่อมือหลูดตานกันอัน เข้าเปิกบุงควายหันหลา ย, ยังปั่นเตะสิบเสาเป็นหาบไผ่ก็ยินสาบรูบอกจากาอ้าเก่ามาจุติเดียวเตียวต่างหามหาบเข้าเปิกเตะจุมแม่เสานัง เขาของแก้มแดงแป้งสุมอานุมว้ดีตั้งแห่งฝุ่งใจอ่อยน้อยแหลบคิงวแวีนเสนเสาจุมไม้รังแม่เฮินใจไม่เท่าหันเบาไก่ส่องนาอาแฮมอยู่เคอ จำเสื่อใจจึนโดยตาหนะ้าเข้าเปิกถายตานนั่งอีนั่งอามนั่งแสงแป้งเต็มพร้อมนางบูอีกองคำแกว้วแล้วพัมนางแป้งแสงจันบูคำพร้อมกองปิน้นนางนุ่หุม ดูตาแห่งเขาปึกแต่นางลุงยอดละมาน้อมยืนตานางจำคำเติมแทงแห่งน้องตึงอีจันฝูงปองยกหูยอดตาอุนุนหุ่มยินมักเอาบุญหอมปอกงามอัน จันฝ้าแด่มึงพอมสุขสามผ้าการวิ่งนิปา น, านั้นไผมันตื้อยุ่มน้อยใหญ่หุมไข่เขาแจมเจ้าแด่นายยิงใจหลายหนุ่มนาตูผ้ามักว่าหุมจำจันฝ้ายอดมึงพอมหุมหัน ไผมันก็ย่อาตานันเบาจังยินจานบ้านหนึ่งเล่บ้านหนึ่งจำกันมายา่อมหอมกินหมุมหลูยังแห่งตันดูละทันยาเปิดเขายืมนอมยืนตาน ยังใจสามใส่แก้วยอดพอมใจหนุ่มใจแสงแปงใจเต่มยอตา น, นั้นฉันหันยินมักเยืมม่อจำรำสามือไหวนั้นใสนั้นแสงใจแปงแต่แก้มโลนั้นยีไอปีนั้นยอดอายบาน้อยก่อมา ย่อตาสาเปิกเข้าตูผามาหลูถวยตานหน่อยหนอติมตึงอุปันแถมใจนูนเดดใจปอกตานหวยใจจึนจำบานเขาใสไผมันน้อมนำมาหาหามดูอัน มาโลูมาตานสาธุการยินจำอักไผมันเบาบักผ่านตามกาจิตนาไขาตาดูอันสังฆารับตุง เอากาตามเมตตาแห่งเขาปลึกเตตากาศธาสิบหัวร้อยมึงหลาบมึงจำกดจามึงขอนพอ่อปองป่าเอืงมึงลังสิ่งเอืงกาดฟ้าผ่ำย่างกิงเจเจเตจูจจ่หัสิบ เท่าเกะมีเบาวิทย์เบะใดากามายานเรืนจมยืมสายกาดเต่าอันจึงนักปม่ อ, ออกสะทาอึง้งวัดก้องวัดสาว้ากาไทายพัมติมมากวัดจา้าสะทายกตานมาแห่งเขานิ้วเจา้า ดาวน้ยใหญ่ตานมากัดไมยล่องเส้นปีะอำมานิบอกปอแม่เขาส่งแจงได้รู้จูคนนามังตอนจืออันก่าวปีะกัดจือสะทา อยํยปมโยกย่อตานกัดไข่ไผยมันยืนมาฟังเบาสุนหายได้สังขาก็อไตเตียวตมมังเมตตาถึงตึงเจติตตหูร้อยแอวตียวเหล่แผวแห่งบานหูร้อยดอนลุงแก่นก้น บ้านไต้ขืนก่อเข้ากู้จกบ้านเอืองกึงมังหูรอยจางสาดริมตางถนนลุงกุมตึงมูลจอดแผวเจสิงพับเขตนี้กมตึงแผ้วถึงเจเจซ้ำในเวงกุมผาติมเขตซ้ำสี่หาหูนาตีเวง เมืองเจงตุงเลเขากูจกักแมตตาแห่งเขาสารเขาปึกย่อตาหันไลยภายวราระอาณาบุญปุญสนสธาอัน สังฆากันหน้าหมู่ไปในกฎหมายรวมปองจูมีอาจยาทำเดตั้งแต่เป็นแห่งเก้าแต่เงาพิ่กูเจ้าเดนิน กรรมมีจักเก่าหือเราเปี้ยยังหลาปันป้อนยังข่มหยอกถึงโมลดวงลายภายหน้าบุญเติมปอกงำกัง ตั้งแต่บ่เม อ, อเขาได้ลู่ได้ตากฎหมายยังทันยาเขาสานเขาเปิกการตีตังเดือดร้อนแก่ใจนั่นอันเอื้อ ย, ยไปปัน งอนคำไหลหลังเข้าตานนำหาเม่ไหลมาการจองโรคกาต้อคีผีบินไรอ่อนายอยากกลายมาไกล ได้อยู่ที่ขาปัญจาคืออายุไผมันมันแก่นเส้นกระจังจองไรา ย, ยาไกา ย, ยาไกคือแว่นไปไปแต่นา โรคกาเจ้บปวดไข่แก่เนื้อก็อยาจือมีฮืออยู่ปีสานกินวานไผมันเตะยิงใจก้าไขาเจิ้วขึ้นพาเพียนเงินคำสินของอันมีไว้ที่รัน มันแกนอันไปมีเตือนันเย้ไลหลังหือฉันน้ำมือนองลาพาปองยิ่งขึ้นตุนเต้าเข้าเปิกเต้มเย้ผู้กูนั่งเมกินหวานดนํานอนยันเปียกกินตานสาง ฮือก้าอองไขมันยิงใจต่อฝุงจ้องพากาช้ำสาใจจูผูจูน้อยใหญ่ยยคันเงินคำหางายได้กูก็ฮืออยู่สุงบ้าน พลาบุญตานแห่งเจ้าพือเต้าคือแตมเย่เป็นสถิกู่กออย่าช่อสเลขืนไต้กุงมึงคำขีดหองฮือชามสาสุขยันเป็นขืนไต้แขหอตานเข้าเปิกสารปัน พลาบุญหันต่อหนา้ามึงฝ้าอยู่สุบบ้านกินกินตา้านกว่าหน้าจันฝ้าอยู่สวยรำสุกมึงพ่ำจันฝ้าได้มือเกิดสวรรค์วั น, นพุงควนตานดูดียังเขาเปิกสารมา แกสังค้าปอกนี้มีกูโศพราบุญสวยไปหลุนกว่าหนาเมืองฝ้าแห่งสวรรค์นบรรสูกเมืองควันต่อเ่าเป็นเจ้าอยู่สวยเมืองเบาขีเกึ้งจองรายตั้งให้เบาทบยา กาลาาบุญจอยกรรมน้ำพ้อนรอดเสนเพเป็นเสถีว่าอันได้ยอกลูกินทานแถมสมปันกว่านาตุ้งน้อยใหญ่ไพมันฮือได้หันกูผูยังกูโซอามีว เต็มจาตจาดนี้ฮือได้อยู่สุขบ้านตั้งพันขี้อย่าไก่ฮือได้แว่แสนว่าการรู้กาเกนึกฮือยายฝีกไก่ไว้ฮือสุขใจเกหองการยันเตียงเปียงน้า ฮือดีเหลือกว่าอันได้ร้อยเติมแถมปันพระบุญตันต่อหน้าฮือสำดังใจมีแกสะท้าพ่อแม่อันเขาน้ำยาบอกยอมหอมอ้นคำจุงมันฮือแน่นแกนเกนสน่ห์ลู เส้นมิวมิวทิบทองเบาใจเบาไว้ฟืน้นหื่อสันมือนแตะเตะเกตากาสะท่าสิบหุร้อยจู่บานจีพอมกูหูรืนหื่อเจียวมือนดังอีกรรเมตตาแดปันก้อนแต่เนื้อ คือกรรมสารมาเต็มกอจ้าปีปันสามร้อยว่าสามสิบเอ็ดเ็ดเต่งขอลายเปยงสารปานยานนี้เตียวตึงอรอดถึงตึงนี้ มาผุยจากอัดเสียงยังข้านี้อุนันลาเตียงย่อนเปิดเตียมเติมคำรรจอยเทมเตียงหือสังฆาฝ่ายใน คอนใดล้อมถ่อมได้สามารถยามมือจุกฟังขออย่ามีกรรมติวันปั่นใจก็เตรียมไายมาสารยามี ปีนี้สุดแล้วแต่งคอคำผ้าจำปียังนามากุกุตานำไก่ได้แต่งแป้งกานีหากสุดเตาอีวางไวอย่างสานแล้วนาตาเฮย